เสียงานหนังสือความสุขฉบับแบบแผนพุทธธรรมฉบับรับขยายบทที่22สมเด็จพระพุทธโคสาจารย์ปออปยุตโตความสุขเป็นเรื่องใหญ่มีรายละเอียดมากที่ควรใส่ใจศึกษาเพื่อเข้าใจพุทธศาสนาได้ถูกต้องโปรดติดตามบทต่อไปคือความสุขฉบับประมวลความซึ่งเป็นบทสุดท้ายแห่งพุทธธรรม สำหรับท่านที่สนใจศึกษาโดยละเอียดสามารถอ่านได้ฟรีกับพุทธธรรมออนไลน์ที่ท่านจัดทำไว้ให้ศึกษาค้นคว้าต่อได้ง่ายสงสัยคำศัพท์คำใดก็กดเข้าไปดูคำแปลนในแต่ละคำได้เลยพร้อมดูที่มาเนื้อหาเต็มจากพระไตรปิฎกได้โดยละเอียดสำหรับเสียงอ่านควรใช้เพื่อการฟังเบื้องต้นหรือฟังทบทวนเท่านั้นหากต้องการอ้างอิง โปรดตรวจสอบกับเว็บไซต์ของทางวัดยาณเวศกวันอีกครั้งนะครับขออนุโมทนาเจ้าภาพเพิ่มเติมอีกดังนี้รอบครัวรักไพสุเทพสิริยานินเวียงเกตกิติพรตรีสุภการอารีประวรวนิจพงศ์นาธิดารินปุ่นพรวรานน์ประภาพันธ์ไตรรัตวรา ว, ว, มมามาวด์สุพเดชอิมมานจุติเดชสุภกิศินปาริดาเฮดวิก การวจีอํานวยทรัพการนิยาบุญธกานนกัญนัตทองบุญวราพรภัยบุญเวสวัตรติติมาอุดมภูริธนากุลร่วมกับอีกหลายท่านดูได้จะเครดิตท้ายเรื่องและขออนุโมทนากับท่านที่ไม่ประสองค์ออกนามขอทุกท่านเจริญแต่ในทางที่เป็นกุศลยิ่งขึ้นไปสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวง